ขันติสังวรเนี่ยนะพวกที่ไม่ขันติเนี่ยเวลาหนาวเกินไปก็ไม่สามารถที่จะบําเพ็ญสมถาวิปัสนาได้ร้อนเกินไปก็ไม่สามารถบําเพ็ญสมถาวิปัสนาได้หิวก็เจริญไม่ได้กระหายก็เจริญไม่ได้เหลือกัดนิดยุงกัดหน่อยก็เจริญไม่ได้ลมแรงก็เจริญไม่ได้แดดมากก็เจริญไม่ได้แมลงมัดกันนะตะขาบกัดหน่อยก็เจริญวิปัสนาไม่ได้แล้วเนี่ยนะตะขาบบางคน่กัดจะแพ้ตายเลยนะ ไม่น้อยแล้วนะคือเพื่อนนี้จะต้องอดทนละ่ะคําว่าอดทนเนี่ยไม่ได้แปลว่าเนี่ยถ้าแดดร้อนๆนะจะต้องไปตากแดดใช่ไหมจะได้ฝึกความอดทนถ้าหนาวจะต้องไปนอนเออไปนั่งในที่เย็นๆจะได้อดทนไม่ใช่ไม่ได้ไปแปลว่าไปสแสวงหาอาัปายะแบบนั้นแต่หมายคำว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วจะต้องรับแบบนั้นนะนะอันนี้แหละที่ต้องใช้ความอดทน อย่างอดกลั้นต่อคำที่ผู้อื่นกล่าวด้วยชั่วร้ายแรงเนี่ยนะอดทนต่อคำผู้อื่นไม่ใช่ไปให้แย่ให้เขาด่าเสร็จจะได้อดทนเนี่ยไม่ใช่หมายกาว่ามันได้ปัจจัยพร้อมแล้วถูกด่ามาแล้วเนี่ยอันนี้ต้องอดทนนะนะแล้วก็ต่อเวทนาที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะอย่างเจ็บปวดปวดหัวตัวร้อนเป็นไข่เนี่ยอันนี้ถ้ามันเป็นมาแล้วก็อดทน ถามว่าผู้ที่ไม่อดทนคืออย่างไรคือผู้ที่ไม่ได้รับเวทนาเหล่านี้ไม่สามารถเจริญสมถวิปัสสนาได้เรียกว่าผู้ขาดความอดทนเนี่ยนะถ้ายังเจริญสมถวิปัสสนาได้เรียกว่ายังยังอดทนอยู่เขาบอกว่าบารมีสิบนะในเถระคถาท่านแสดงไว้ว่าถ้ายังมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวน า, าอยู่นะ edia. บารมีที่เหลือถือว่ามีครบแล้วเนี่ยนะ ถ้ายังเจริญศีลสมาธิปัญญาอยู่แสดงว่าบารมีที่เหลือมีครบแล้วในขณะที่จิตกำลังเจริญศีลสมาธิปัญญาหรือขณะที่กําลังเจริญอไรศิขาทานศีลภาวนาเนี่ยนะ ข, ขันติวิริยะสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบขาถือว่าเจริญได้แล้วเพราะว่ากุศลหลักๆจริงๆก็ทามศีลแล้วภาวนานั่นแล้เป็นตัวหลักๆจริงๆเนี่ยนะถ้ายังเจริญนี้ได้แสดงว่าอดทนนะ เพราะคนให้ทานเนี่ยถามว่าอดทนมากไหมคนให้ทานนะถ้าใครที่เตือนสํานวนว่าเตือนใส่บาตรตลอดเนี่ยนะจะรู้ว่าโอ้โหใช้ความอดทนมากเพราะว่ามันไม่ได้อากาศปลอดโปร่งอยู่ทุกวันใช่ไหมบางวันก็ฝนตกบ้างบางวันก็แดดไม่ออกบ้างเป็นต้นเนี่ยนะมันใช้ความอดทนมากนะที่จะให้ทานอย่างต่อนเนื่องคนที่รักษาศีลก็เหมือนกันนะต้องมีความอดทนมากเลยนะที่จะรักษาศีลได้เหมือนอดทนมากไหม เ, เขาก็แย่บ้างละมัง้งเนี่ยนะนนะแล้วรักษาศีลนี่ก็ต้องใช้ขันติพอสมควรนะนะเพราะพวกที่ขันติไม่ดีนะศีลแตกหมดแหละนะนนะรักษาศีลแปดหม่อยนะเขาชวนะกินเถอะกินเถอะเนี่ยนะแต่เราก็อยากกินมานาน้วด้วยนะอ่างศีลเขาก็แย่ไปเรื่อยแล้วก็เอาเลยสนองศรัทธาเขาหน่อยนะศีลขาดเลยพั้นผู้ที่รักษาศีลเนี่ยก็ต้องอดทนเยอะเนี่ยนะโดยเฉพาะสามถาวิปัสสนานะถ้ายังมีการเจริญสมถาวิปัสสนาอยู่ แสดงว่ามีความอดทนมากแล้วเพ่านก็ถือว่ามีบารมีอื่นๆอยู่ด้วยในขณะเดียวกันท่า น, นตัวตรวจสอบว่ายังบำเพ็ญบารมีสิบอยู่หรือเปล่าก็ดูจากทานศีลและภาวนาหรือดูจากศีลสมาธิและปัญญาอยู่ถ้าเป็นคาระวะทั่วๆไปท่านจะใช้คําว่าทานศีลภาวนาถ้าเป็นพระพิสุจะใช้คําว่าศีล ส, สมาธิและปัญญานนะถ้ายังเป็นไปตามนี้อยู่ก็แสดงว่าใช้ได้แล้ว ถือว่าเป็นผู้มีความอดทนนะแต่ไม่ว่าอ้างนะเออหนาวเกินไปก็ไม่ให้ทานนะอย่างเงี้อันนี้เรียกว่าไม่อดทนนะร้อนเกินก็ไม่ให้ทานอีกแล้วกาลังหิวก็ให้ทานไม่ได้เป็นต้นนะพวกนี้นะเรียกว่าพวกไม่อดทนต่อไปว่าสังวรที่มาแล้วโดยนายเป็นต้นว่าพิสุย่อมอดกลัน้นย่อมละย่อมบรรเทาการมวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมกระทําให้สิ้นสูญตายให้ถึงความไม่มีอันนี้ชื่อว่าวิริยะสังวร สมมติถ้ากำลังกโกรธอยู่เนี่ยนะแล้วต้องข่มความกโกรธไม่ให้ความกโกรธมันเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องใช้ความเพียรขนาดไหนเนี่ยนะอันนี้ที่ต้องใช้ความภาคเพียรเป็นอย่างมากหรือเราไปชอบอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยอำนาจโลภะด้วยอำนาจการมิวิตกเนี่ยนะจะต้องห้ามจิตตัวเองขนาดไหนเนี่ยจึงจะไม่ให้จิตเนี่ยไหลไปด้วยอำนาจบาปและอกุศลเพราะฉะนั้นการห้ามจิตไม่ให้ไปในอกุศลวิตกอันนี้แหละเป็นวิริยะสังวรที่จะต้องเพียรมากเลยเนะ เช่นกำลังฟุ้งซ่านคี่ไปเรื่อยเลยนะจะต้องเพียรอย่างมากนะที่จะให้จิตเนี่ยเป็นไปกับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณถ้าใครจเจริญอนุสติอยู่นะจะรู้ว่าโอ้โหใช้ความเพียรเป็นอย่างมากส่วนสังวรที่มาแล้วโดยนายเป็นต้นว่าพระอริยส า, าวกในทศาสนานี้ละมิจฉาอาชีวะเสียแล้วสำเร็จชีวิตอยู่ด้วยสัมมาอาชีวะอันนี้ชื่อว่าอาชีวะปาริสุทธิสังวร อ, อาชีวะปาริสุทธิสังวรก็สงเคราะห์ด้วย วิริยะสังวรนะน ะ, ะเพราะว่าผู้ที่เลี้ยงชีวิตด้วยอาชีพที่บริสุทธิ์เนี่ยนะก็ต้องใช้ความเพียรมากหน่อยถ้าเทียบกับอ้าพูดถึงพระพิสูจนะ์ะถ้าบินธบาติเองกับหุงต้มเองเนี่ยไหนะใช้ความเพียรมากกว่ากันะนะบินธบาติก็ใช้ความเพียรหน่อยใช่ไหมถ้าหุงต้มเองก็อาชีพก็ ก็หงสุขหงทําให้สุขเองก็เป็นนบัตเนี่ยนะสมมติท่านหลอกคนอื่นแนละ้วเอามาฉันเนี่ยนะกลับไปบินทบาตฉันอะไรง่ายกันะหลอกคนอื่นว่านะถ้าพิสูจน์ที่ประพฤติมิจฉาอาชีพเนี่ยนะก็บอกว่าเพราะสิกขาบทที่สี่ส่วนหนึ่งนะจตุถาปราชิกเนี่ยอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีอยู่จริงเนี่ยต้นบัญญัติจริงๆก็จากปากท้องนี่แหละอยากให้คนอื่นเขาเลื่อมสายอยากให้คนอื่นเขาศรัทธาอยากให้คนอื่นเขาเอาปัจใจสีมาให้ตน ก็เลยอวดอุตริมนุสธรรมว่าตัวเองเนี่ยมีคุณธรรมเช่นนั้นเช่นนั้นเช่นนั้นพอชาวบ้านเขารู้โอ้โหพระพิสูจน์เรานี่มีคุณธรรมมากพ่อแม่ก็ไม่ให้กินอะไรแค น, นี้ลูกเมียก็ไม่เลี้ยงแล้วจะทําบุญกับพระอย่างเดียวเหมงอนกันเพราะท่านมีคุณธรรมเลิศเกินเหมือนั้นก็เลยไม่เคยได้พระดีๆขนาดนี้ทําบุญสักทีเนี่ยก็เลยทํากันยกใหญ่เลยอันนี้ก็การอวดอุตริมนุสธรรมนั้นก็ถือว่าเลี้ยงชีวิตแบบสบายๆนะนะแล้วก็ถ้าเป็นยุคหลังๆมาเนี่ย พระที่อวดอุตริมนุษยธรรมนะโดยมากเขาถือว่าน่ารักในบรรดาปาราชิกสี่เลยนะที่ชาวบ้านเขากราบไหว้เทิดทูนที่สุดคือการผิดศีลบาบทข้อที่สี่เนี่ยนะคืออวดอุตริมนุษยธรรมเนี่ยโอ้โหคนยกย่องมากสรรเสริญมากเนีย่ยนะถือว่าเขาเค า, ารพเราเป็นเทพเจ้าของเขาเลยอันพระองค์จึงตรัดว่าเป็นมหาโจรที่ยิ่งความหาโจรในโลกแล้วก็ศีลบาบทอื่นๆนี่ก็มีในะอย่างสังคาธิเศสนี่นะทาตัว เป็นพ่อสื่อแม่ชักทั้งหลายแหละเนี่ยอันนี้ก็เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องปากท้องหรือว่าทุลใจก็คือการขอปัดใจสีของคนอื่นการไปเป็นผู้รับใช้คารวะเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นเหตุเพราะเหตุแห่งอาชีวะผู้ภาริยาสาวกที่จะอยู่ในสัมมาอาชีวะอย่างนี้ก็ต้องเว้นจากสีที่พระองค์บัญญัติเกี่ยวกับอาชีวะเป็นหลัก ถ้าเป็นค า, ารวาสทั่วๆไปะนะวัดง่ายๆก็คือทําอย่างไรตัวเองอาชีพจึงจะบริสุทธิ์จะวัดง่ายๆก็เอากรรมบทมาวัดดูะนะอาชีพของตัวเองล่วงอกุศลกรรมบทอยู่ไหมถ้าล่วงอกุศลกรรมบทอยู่ก็ชื่อว่าไม่ไม่บริสุทธิ์นะเพราะว่าไอ้ตัวล่วงกรมมบทเป็นตัวเกิดในอบายได้นะเพราะฉะนั้นตัวตัวนั้นแหละเป็นเครื่องวัดว่าไม่ดีเท่าไหร่สรุปว่าสักกรที่กล่าวไปมีเจ็ดอย่างนะ ข้อแรกปฏิโมกขสังวรข้อสองสตินีสังวรหรือสติสังวรสายานาสังวรสี่ปัจยะปฏิเสวนาสังวรห้าขันติสังวรหวิริยะสังวรเจดอาชีวปาริสุทธิสังวรตัวที่เหมือนกันนะคือญาณสังวรกับปัจยะปฏิเสวนาสังวรเนี่ยนับเป็นหนึ่งก็ได้ก็คือยานาสังวรนั่นแหละตัววิริยะสังวรกับ อาชีวปาริสุทธิสังวรก็คืออันเดียวกันวิริยะสังวรเพราะฉะนั้นจะเหลือสังวรห้าก็ได้หรือจะเรียกว่าสังวรสี่ก็ได้นะปาติโมคขสังวรอินทรียสังวรอาชีวปาริสุทธิที่สังวรและปัจจยปฏิเสวนาสังวรท่านประสงค์เอาที่นี้คําว่าสังวรในในคําว่าปัญญาในการฟังแล้วสังวรเอาไว้เนี่เป็นชื่อของสีลัมมยะยาเนี่ยหมายถึง ยานในกระจุกปาริสุทธิสีนสีนั่นเองปาติโมคสังวลอินทรียสังวลอาชีวะปาริสุทธิกับปัจยปฏิเสวนะก็คือจระจุกปาริสุทธิสีนปัญญาที่เกิดพร้อมกับจตุปาริสุทธิสีนนั่นแหละชื่อว่าศีลมมยาญาณแต่ว่าในบรรดาสังวลสี่ประการเนี่ยนะปาติโมคสังวลท่านประสงค์เอาเป็นพิเศษกว่าเพื่อนเน้นไปที่ปาติโมคสังวล ก็สังวรมิแมนทั้งหมดท่านเรียกว่าสังวรเพราะกั้นทุจริตทั้งหลายมีกายะทุจริตเป็นต้นที่จำต้องสังวรตามธรรมดาของตนนะเพราะตัวสังวรนี่แปลว่าปิดแปลว่ากั้นแปลว่าห้ามใช่ไหมห้ามไม่ให้ทำความชั่วทางกายหรือปิดไม่ให้ตัวเองทำชั่วทางกายปิดไม่ให้ตัวเองทำความชั่วทางวาจาหรือทางอาชีพอันนี้แหละเรียกว่าสังวรเพราะสังวรนี่แปลว่าปิดแปลว่ากัน้น ปัญญาของกุลบุรผู้ฟังธรรมตามที่กล่าวแล้วในสุตตมัญาาณสังวรอยู่ทำการสังวรเป็นไปแล้วในการสังวรนั้นสัมปยุตกับการสังวรนั้นชื่อว่าสุตวานสังวรปัญญาปัญญาที่เกิดร่วมกับศีลนะเนะเรียกว่าศีลมัยาญาณอีกอย่างหนึ่งมีความว่าปัญญาในการสังวรเพราะมีการฟังเป็นเหตุคาว่าฟัง ฟังเหตุและผลปรากฏอยู่ด้วยหมายถึงว่าฟังเสร็จแล้วก็สามารถสังวรเอาไว้ได้ตามที่ที่ฟังนั่นเองมีแบ่งออกเป็นสองนายนะนายหนึ่งปัญญาที่สัมปยุติกับสังวรเรียกว่าสีรมายายานอีกนายหนึ่งบอกว่าเพราะฟังเนี่ยเป็นเหตุให้สังวรได้นะปัญญาที่สามารถสังวรได้ตามที่ฟังอ่ะปัญญาอนั้นแหละเรียกว่าศีรมายายาน มันคนที่เรียนมาไม่ดีฟังมาไม่ดี <_ C os al> ก็ยากที่จะสังวรได้ทําทุจริตอยู่ก็ไม่ไม่รู้ตัวเลยนะว่ากําลังทําทุจริตอยู่พูดพูดไม่ดีอยู่ก็ไม่รู้ตัวอีกว่าพูดไม่ดีอยู่เนี่ยนะมันผู้ที่สังวรเนี่ยก็พื้นฐานมาจากการฟังคําว่าสีลังเนี่ยนะสีลังสีลังที่สีละสีลังเนี่ยนะท่านมีอัดว่าสีลนัทเถนะสีละนะ สีละนะเนี่ยสิบอาจารย์ก็จะแปลสิบอย่างเหมือนกันศีละนะที่แปลว่าสัมรวมตัวนั้นเนี่ย น, น, น, นะเพราะอาจว่าสัมรวมเนี่ยบาลีจริงๆว่ามาจากคําว่าสีละนะศีละนะเนี่ยอย่างภูมิพโลเขาแปลว่าตั้งมั่นนี่ไงนะหรือว่าอย่างวิสุทธิมัชฌะบรมกุฎจะแปลว่ามูลรากสีละนะตัวนี้นี่แปลไม่เหมือนกันสักอาจารย์เดียวก็ของมาก็เลยนิยมทับศัพท์ไปตามเดิมว่าเป็น สีละนะไอ้คำว่าสัมรวมตัวนั้นนะเห็นไหมชื่อว่าสีเพราะอถ า, าว่าสัมรวมถ้าอย่างวิสุทธิมัสเนี่ยนะแปลว่ามูลราก บ, บางอาจารย์ก็แปลว่าตั้งมั่นเนี่ยนะก็มาจากสีละนะถามว่าชื่อว่าสีละนะเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือสมาทานังแปลว่าการตั้งมั่นสีละนะตัวนี้เป็นการตั้งมั่นอธิบายว่า ความเป็นกายกรรมเป็นต้นน่ะไม่เกลื่อนกลนด้วยสามารถแห่งความเป็นผู้สำรวมดีชื่อว่าสมาทานังหรือการตั้งมั่นเนี่ยนะตั้งมั่นหมายถึงว่ากายวาจาไม่เกลื่อนกล่นกระจัดกระจายกายไม่กละเมิดไปความชั่ววิจีไม่ไปความชั่วเป็นต้นเรียกว่าตั้งมั่นตั้งมั่นไม่นั่งนิ่งๆเนีแต่หมายถึงว่ากายวาจาไม่เกลื่อนกล่นกระจัดกระจายด้วยบาปอกุศลทั้งหลายหรือความเข้าไปตั้งมั่น อันนี้อุปธารณนังนะมาจากบาลีว่าอุปธารณนังอธิบายว่าความที่แห่งกุศลธรรมทั้งหลายเป็นที่รองรับด้วยสามารถเป็นที่ตั้งคือศีลเนี่ยรองรับกุศลชั้นสูงคือสมถะกับวิปัสนาเดี๋ยวเขียนให้ดูนิดหนึ่งว่าคำว่าศีลนนเนยเท่ากับอัิฐาว่าศีละณนะศีระณะเนี่ยแบ่งออกเป็นสอง อันนั้นคือสมาธานังกับอุปธานังสมาธานังแปลว่าไม่กระจัดกระจายถามว่าอะไรไม่กระจัดกระจายกายวาจาอาชีพไม่เกลื่อนกลนกระจัดกระจายเรียกว่าสมาธานังส่วนอุปธานังแปลว่ารองรับ อะนะกุศลรองรับกุศลคือสมถาวิปัสนาพระพุทธพจน์เนี่ยแสดง น, นิย่านี้มีหลายหลายสูตรด้วยกันนะแสดงนิยต์ที่กล่าวถึงรองรับกุศ ล, ลธรรมชั้นสูงแต่ต้นเหตุถ้าพระพุทธเจ้าจะบัญญัติพระวินัยเนี่ยจะปรารบความเกลื่อนกลลกระจัดกระจายทางกายวาจาอาชีพของพระพิสุแนละพระพุทธเจ้าจะบัญญัติพระวินัยหรือบัญญัติเรื่องศีลทั้งหลายเนไห ส่วนอัปทารนังเนี่ยรองรับกุศลธรรมชั้นสูงที่เรียกว่ารองรับกุศลธรรมชั้นสูงเนี่ยนะอย่างที่พระองค์ตรัสว่าพีชคามและภูชคามคือต้นไม้ต้นหญ้าทั้งหลายที่จะเจริญงอกงามอยู่ได้เนี่ยอาศัยอะไรอาศัยแผ่นดินภิกษุก็ฉันนั้นถ้าจะอบรมสติปฐานสี่โพชฌงกเจ็ดเป็นต้นเนี่ยก็ต้องอาศัยศีลเป็นที่ตั้งรองรับเนี่ยนะ หรือสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าวเวลาทำอะไรก็ตั้งอยู่บนแผ่นดินแล้วก็กระทำงานสิ่งนั้นๆได้ฉันใดผู้ที่จะอบรมสมถาวิปัสสนาทั้งหลายก็ตั้งอยู่ในศีลฉันนั้นเพราะศีลจึงมีอัตถาว่ารองรับเนี่ยนะอุปธาณะ